ลมเข้าครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ลมออกก็ครบแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ถ้าเราจะขยายในลมเข้าลมออกถ้าเราไม่ขยายเราก็ไม่สงสัยจะขยายหรือไม่ขยายก็ไม่สงสัยจะย่นหรือไม่ย่นก็ไม่สงสัยพระอานาปานสติลมหาใจเข้าออกดึงกรรมฐานอื่นๆมาให้อยู่ได้ ถ้าจะพิจารณาให้เป็นปัญญาพอเราลูบว่าลมเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญญัติว่าต้นลมท่าทีในน้ำไฟลมเขาไม่ลูบอีอ้ีอะไรไปชุมกันเป็นการเรียกว่ารูปบท่าทีในน้ำไฟลมไปชุมกันเป็นการเรียกว่ารูบมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกมากหัวใจตับพังผืด ใ, ใจปอดใจใหญ่ไใ้น้อยอ่านใหม่อ่นาอนเกาะนี่เรียกว่าท่าดิน ดีเศษน้องเลือดเงือมันก้นน้ำตาเตรียมมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่พ่อน้ำมูดอันนี้แปลาธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อุ่นไฟที่ยังกายให้ชุ่มช่อมไฟที่ยังกายให้กวนก歪ไฟที่เผาอาหารท้ย่อยอันนี้เนี่คือธาตุไฟลมพัดขึ้นบงบนลมหายลมเรือลมอ้วกลมพะลงเบิกต่ำลมถ่ายลมหรือลมถ่ายอุจจะถ่ายปัสสะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวเช่นอื่นลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่เป็ น, นธาตุลมเพราะบัญญัติว่าเป็นเป็นรูปขันดินน้ำไฟลมชสมกันเป็นกายที่เอาควารูปเรียกว่ารูปขันรูปขันกับรูปประโลกมีความห ม, ม, มายอันเดียวกันกับรูปพระธรรมก็มีความหมายอันเดียวกันกับรูปประธาต์ก็มีความหมายอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรเปนแ้วแตกกะจายเหมือนกันดินก็แตกไปเป็นดินน้ำก็ไปแตกไปเป็นน้ำไฟก็แตกไปเป็นไฟลมก็ไปแตกไปเป็นลม เวทนาความเส่สวยอารมณ์สุขทุกเบกขาก็จัดเป็นกองเวทนาเวทนากองสัญญาความจําจํารูปจําเสียงจำกลิ่นจํารสจําผุดะะจำพระจำธรรมารมก็จัดเป็นกองจําเอกเหมือนกันเนี่ยว่าวเวทนาขันเรียก็สัญญาขันสัญญาแปลว่าความจําสังขารความพุงแต่งแห่งกิจบางทีก็นึกไปทางดีบ้างบางทีก็นึกไปทางขี้วบ้า มนเวียนกันอยู really ่นี่เรียกว่ากองสังขารกองวิญญาณเทวิญญาณมาจากที่ไหนอาศัยดูงกระทบใจตาเกิดความโลขึ้นเรียกจักรุวิญญาณอาศัยเสียงกระทบหูเกิดความโลขึ้นเรียกโสตะวิญญาณอาศัยกลิ่นกระทบจมูกเกิดความโลขึ้นเรียกขานะวิญญาณอาศัยรสกระทบลิ้นเกิดความโลขึ้นเรียกคิวหาวิญญาณอาศัยฝนตะพกระทบกายเกิดความโลขึ้นเรียกกายวิญญาณ อาศัยธรรมารมเกิดขึ้นกับใจเรียกว่ามโนวิญญาณธรรมารมคืออะไรคือตาหูจมูกเลี้ยกายใจตาตาหูจมูกเลี้ยงกายที่รวงไปแล้วและที่ยังไม่มาถึงทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคต ด, ด้วยทั้งปัจจุบันด้วยบางท่านก็ถามว่าวิญญาณมีไห ม, ม, มก็มโนวิญญาณผู้ถามก็อามโนวิญญาณถามผู้ตอบก็อมโนวิญญาณตอบ ผู้ถามก็ไม่ควรถามผู้ตอบก็ไม่ควรตอบพททุทธศาสนาบืงต้นสอนให้ทํามาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเมื่อปลายสอนให้รีบเร่งภาวนาเพื่อให้รู้แท้พ้นจากวัฏสงสารเพื่อให้รู้แท้พ้นจากความเกิดแก่เก็บตายและโรคกรหลงของตนเพื่อให้ข้ามทะเลหลงความหลง ขึ้นงอยบนบาของพวกเราไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเรามีอุ ป, ปาทาน ย, ยังไม่มียาว่าคนทุกนะวัตตาสงสารจาบได้ความหลงก็ขี่คอของพวกเราอยู่จับนั้นเพิกกันแต่ว่าลงนอยเนี่ยหลงมากเท่านั้นนายควนช้าควร ม, มากมันก็ขี่คออยู่เป็นบางข้างบางคราวมันก็ลงไอ้ความหลงเนี่ยไม่ลงจากดวงจิตใจของพวกเราเลยมันตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ที่รอบเมืองใกลของพวกเรา ท่านโมบัญดาต์ว่าอาวิชชาอาวิชชาก็คือความโง่อวิชชาแบ่งออกเป็นสี่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกกรรมวิธัยให้เกิดเกิดทุกไม่รู้ในทุกขันธโรไม่รู้ทักทุกขันธโรตักษม่มีปฏิปทาโดยใจความก็คือไม่รู้สิ้นสมาธิปัญญาเป็นเครื่องปฏิบัติออกทุกเป็นผลของสมุทยัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดมักเป็นผลของเนโรเนโร มักเป็นผลไม่โลดเป็นผลของมักมักเป็นเหตุให้ถึงไมโลดมั ก, ก็แปลว่าข้อปฏิบัติพเพื่อให้คุ้นถึงความลับทุกมักก็คือเหตุคือกรรมคือพืชผลก็ผลของเหตุผลของกรรมของพืชคำว่ามักก็หมายความเป็นภาษาบาลีคำว่านิโรดก็เป็นความภาษาบาลีแปลเป็นไทยว่าบอกว่าทําให้แก้งในขั้นทานทันดานซะ อ, อยอย่างนั้นนะคาว่ามั ก, กแปลว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความลับทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจที่ว่าทุกพระเป็นของทนในยา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 มักนั้นม um ีองแผดประการคือปัญญาเห็นชอบหนึ่งดำริชอบหนึ <spells> ่งเกียติชาชอบหนึ่งทำงานชอบหนึ่งเจาพเมียนชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งเรื่องชีวิตชอบหนึ่งยอดรางมาก็คือศีลสมาธิปัญญาเราดีๆนี่เองนั่นศีลของปัจสดาวันสมาธิของปัจสดาวันปัญญาของปะโสดาวันศีลสมาธิปัญญาของปัสกาธาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระานาคามีศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ก็มียิ่งใหญ่กว่ากัน ตามทา น, นันโดนศักดิ์ของท่านศินสมาธิปัญญาของพระพอจิตรสินสมาธิปัญญาของพระสมายเทพุุตรเจ้ามียิ่งหย่อนกว่ากันเป็นลำดับตามท่านานรูปของท่านตามปัญญาของท่านพระพุทธเจ้าสนะไม้เอาไม้เอาสุภจรปโนเป็นต้นไปเป็นเกณฑ์ผู้มีสินห้าบริบูรณ์ไม่ใช่ดายอยากลวงละเมิดสินห้าเนี่ยก็พรมจันทร์เบื้องต้นคือสุภจภปโนเราดีๆนี่เอง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 นี่เรียกว่าพระพุทธปณูพระทธปณูต้องเชื่อ ก, กรรมและผลของกรำร ม, มากที่สุดคดีดําคดีแดงในโรงในศาลมันจบกระเสียนเป็นคดีดําคดีแดงที่สัตว์ทั้งหลายสร้างขึ้นมันจบกระเสียนมาเป็นทางดีก็เหมือนกันทางชั่วก็เหมือนกั น, าก น, กนตามไปจนถึงชาติเข้าสู่พระนิพพานนะเหฉะนั้นจึงยอมรับนั บ, นบถือว่าพุทธศาสนา พุทโธแปลว่าระบาบบำเพ็ญบุญธัมโมส่งไว้ซึ่งระบาบบำเพ็ญบุญสังโคแปลว่าปฏิบัติระบาบบำเพ็ญบุญตกลงพุทโธธัมโมสังโคก็อยู่ที่แห่งเดียวกันที่ดวงใจมนโนภ พ, พังกรรมาธ ม, มามนโนเศรษฐามนโมนมาราทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วโดวยใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำผัวมีไม่มีแปลแก่ผู้ยอมเป็นโสต หลวงพ่อหลวงพ่อไล่ผีให้บ้างเออไล่ผีก็ไล่ออกจากใจนั่นเองจะไปไล่ที่อื่นมันก็ไม่เห็นตัวมันละถ้าใจไม่ถือผีผีก็ไม่มีเพราะผีมันมีตัวผัสจาอีอยู่ตัวผอสจาอีอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นสมมุติมันถ้าใจไม่ถือมันก็ไม่มีผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้มาทำผัวเมียไม่มีแก่ผู้ไม่แกผู้ยอมเป็นศูดกิเลสไม่มีแกผ่านหันผู้ท่านละไปแล้ว เดี่ยจะปาลุอะไรก็ปาลุสิไม่รู้ว่าจะพูดอะไรถ้าญานิโยมไม่รังเกียจก็ไม่เป็นปัญหาถ้าถือว่าเป็นเดนของพระแล้วรังเกียจก็ไม่ต้องฉันถ้ามาถือว่าไม่รังเกียจก็ฉันไม่เป็นไรเพราะท่านไม่เป็นห่วงถ้าว่าเป็นห่วงท่านจะเอาไปฉันเพลนอยู่มันก็ไม่ก็ไม่ถูกอีกถ้าท่านไม่เป็นห่วงไปฉันเพลนมันก็ไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาหรอกเพราะท่านฉละแล้ว ก็รู้จักพฤติการของกันอยู่แล้วรู้จักธรรมเนียมของกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องขอไม่ต้องบอกทุกครั้งแม่แม่แต่ไม่รู้จักพฤติการของกันถ้ารู้จักพฤติการของกันรู้จักประเภณีของกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องขอต้องบอกพระไม่จำเป็นจะไปบอกทุกครั้งเพราะรู้จักปฏิปทาของท่านแล้วว่าท่านฉันมือเดียวเลยท่านไม่หวงอีกอย่างนั้นเราก็ฉันได้เลยถ้าเป็นพระที่ฉันเพลินอยู่ก็ลำบากก็ต้องถามท่านก่อน แต่ถึงยังไงท่านสละออกไปแล้วท่านก็ไม่เกี่ยวหรอกถูกถูกขออนุ ญ, ญาตแล้วและเป็นประเพณีด้วยก็รู้จักประเพณีกันอยู่แล้วนั่เพึ่งเรือเสือพึ่งป่าป่วยพึ่งหมอเอรู้กันอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกอันนี้เพราะพระอนุญาตแล้วน้่งพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถ้าโยมมาหาไม่มาหาพระก็ไม่รู้ว่าจะไปหาผีตัวไหนเนี่ย ข้างพุทธการไม่มากกว่าเนี่ยมาเป็นตับๆเลยมาเป็นตั้งหมื่นๆเชนแฉนเลยมหาพระบรมสาราเขาก็คงดื่มอยู่วัดเขาก็คงถ่ายอยู่วัดนั่นเองถ้าเขาปวดเขาจะวิ่งไปไหนมันก็ต้องถ่ายอยู่วัดดื่มอยู่วัดนั่นเองวัดสาวัตถีะเป็นวัดใหญ่วัดโตหัวฐาน่ะในข้างพุทธการสร้างวัดสาวัตถีสี่สิบห้าโกดอนาทั อนาถปา็นที่เกษตรถีนนสร้างสีสิบห้าโกดโกดมันเป็นโกดจริงๆเป็นเรื่องเงินจริงๆไม่ใช่กระดาษเหมือนเราสีห้าโกดเอาสิบไปคูนดูสิจะเป็นขีร้านสิบล้านจึงเป็นโกดสิบห้าห้าสิบสิบสี่สี่สิบเป็นสี่สิบห้าสี่ร้ยห้าสิบโกดสี่ร้ยห้าสิบ้านใช่หมกระเป๋าเดียวนะไม่ได้แผ่ได้ขอใครเลยไม่ได้มีซองเขียวซองขาวกับเราอีก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 สิบเก้าเก้าสิบสิบหนึ่งเป็นสิบเป็นสิบเก้างยเก้าสิบล้านกระเป๋าเดียวนางวิสาขานางวิชาขาเป็นพระโสดาบันเนอเป็นพระสสดาบันแต่อายุเจ็ดปีนางไม่ล่วงละเมิดสินหานางไม่ขอดเวรกับใครไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดสินหาไม่ใช่ได้อยากกระถือสาสดาอื่นไม่ใช่ได้อยากก็ะสาบแข่งท่านผู้ใดไม่โกรธอยู่แต่ไม่สาบแข่ง ไม่ผูกเวรไม่เสียดายอยากจะค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะไรเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าไปเป็นอาหารค้าขายนำา้ำมานค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้น้ำวิสาขาไม่เสียดายอยากจะทําเลยเพราะเป็นถึงประโสดาภันแล้วแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จะเอามาขายเนอแล้วก็บอกกับเขาอย่างนั้นเราไม่รับประกันเราไม่รับประกัน แต่ว่าเรารับของโจรก็ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้นะเขาก็ไม่บอกเราอันนี้รักมาเขาก็ไม่ได้บอกจะมาปรับโทษเราเราก็ไม่ยอมมไม่ก็พูดเขารักมานั่นสิเราไม่รักจะมาปรับโทษเร า, ย, ารยังไงไม่ทราบเราไม่ได้รักมาบอกเขาที่พูกเขาที่รักมานั่นเองเขาเป็นโทษแต่เราถ้ารู้ของสงศ์เราจะกอก่อยาไปซื้อเพราเราไม่รู้นะ อยามาปรับโทษเราก็ไม่ถูกเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่มีเจตนาของสงของเจดีของส ง, ขอ ง, ข, อ ง, สงของบกคนของสงแบ่งเป็นสองครุพันธ์ละหุพันธครุพันธ์เป็นของไม่ควรแจกและหุพันธ์เป็นของควรแจกครุพันธ์เป็นต้นว่าทั้งน้ําจอบเสียมที่การก่อสร้างหรือซ่อมแซมตุ่มนม้าาํำซาลา โล่งฉันไม้ไผ่จะเป็นคารุพันธ์บาจีวรแจกกันได้เป็นละหุพันจะเป็นของสงขเขาแจกกันได้ของสงของบุคคลของเจดีของเกดีน้อมเจดีหนึ่งไปบูชาเกดีพระบรมศารีริาพระวินัยก็ห้ามน้อมของสงเขาจะถวายสงน้อมมาเพื่อตนเองพระวินัยก็ห้ามน้อมมาเพื่อบุคคลพระวินัยก็ห้าม ของเกดีทีนี้สมมุติว่าเขามาถวายเป็นของเกดีธาตุพนมอย่างนี้เราจะเอาไปเกดีอื่นไม่ถูกเช่นเป็นเงินจะมีกี่ล้านก็ตามจะเอาไปเกดีอื่นไม่ถูกผิดปรับอาบัตทุกกฎทรัพย์ของเกดีนับแต่หนึ่งราคาหนึ่งบาทขึ้นไปก็ปรับโทษเป็นประชิกเหมือนกันของบคุคคลไปพิษรูตายแล้ว ของนั่นต้องเป็นของสงฆ์พึกสูนไปเข้าดีดเดียดถีของนั่นก็เป็นของสงฆ์จะออกหรือไม่ออบก็เป็นของสงฆ์อยู่ตามเดิมไม่เหมือนกฎหมายทางโลกพระพิณายสมมติว่าพระกอมีของอยู่แล้วนึกจะให้โยมขอแต่ยังไม่ให้แล้วมันมีพินายกรรมด้วย ถ้ายองขอเอาไปแล้วก็เป็นการแลวไปถ้ายองคอยังไม่เอาไปเมื่อพระกอตายก็ต้องเป็นของสงฆ์ไม่วม้แต่มีพี่พนายคำไว้เข้าใจนะผู้ ก, การกระถิ่นเนี่ยเอาไปถวายให้ไม่เิดไม่เิดเรอกเพราะเป็น แรงพล่าที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแล้วให้เกิดเพื่อนพิกูจน์มมานินไม่หวงหังบริโภคกัมเพาะผู้เดียวมันมีอยู่พรไวินัพระกระสตนก็มีอยู่เพราะเป็นละหุงพันแสบได้อจากไปวัดอื่นก็ได้เข้าใจนะที่เป็นหน้าทีพญาติยาดโยมจะรู้จักทางนั้นละ่ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกับผู้ถือพัตถุศาสตร์นาะถ้าไม่รู้จักเหล่านี้มันต้องรู้จัก กรรมฐานแต่ละอย่างละอย่างมันส่งต่อพระนิพพานหมดถ้าทําพอถ้าทําให้พอมันก็ส่งมาถึงพุทโธคําเดียวก็ส่งต่อพระนิพพานหมดพุทโธไม่พามาเกิดเมื่เก่าม่เก็บมาตายพุทโธไม่พามาโรคมาโกรธมาหลงมาตีปัญหาพุทโธอธิบายพุทโธคําเดียวหมดวันยังหมดคืนก็ไม่หมดครบท่านหมื่นที่พระธรรมมาขวนขันพุทโธคําเดียวอธิบายออกไปทำโมอันเดียวก็ส่งไห้ซึ่งความไม่โรคไม่โกรธไม่หลง ทำโมไปว่าทรงอู่ทรงไว้เชิงโลกุตะละทรงไว้เชิงพระสวสดาบาลทรงไว้เึิงสังฆาคามีทรงไว้เชงพระอนาคามีทรงไว้เชิงพระอรหัน์คำสอนแต่ละบทบาทขยายออกถึงพระ涅槃หมดจะย่นลงมาก็ย่นลงมาหาหนึ่งจะขยายขยายออกก็กแปดหมือนถึงพระธรรมขันธ์น้โมตัวเดียวก็เหมือนกันน้โมตัวเดียวก็อธิบายถึงพัระ涅槃ได้นอกๆจนไม่มีกิเลสหนะน้โมแปลวน้อกๆหลักของน้โม นอกๆจะไม่มีเกิดไม่มาเกิดมาเกมาเ ก, มาเก็มาตายพระอรหันต์เรียนมมโมจุเงั้นพุทธทางแสางคาถ า, ามิา็จุบพระอรหันต์ไต้ท่านเรียกว่าพุทธทางแนดงคาถ า, ม, า, ามิเรียกว่าไตสนาคมก็แปลทับศัพท์ก็ บ, บอกว่าคมจนไม่มาเกิดเก็เก็บตายเดยพระอรหันต์เข้าใจไมรับเข้าใจคาสอนจริญเทราบาดส่งต่อพระนิพพานได้หมด ปัจจุบันของพระสวัสดิ a w a ปัจจุบันสักของสักกาคามีปัจจุบันของพระอนาคามีปัจจุบันของพระละหันมียิ่งย่อนกว่ากันปัจจุบันของพระสมัยพระพุทธเจ้าปัจจุบันของพระปฏเจจปัจจุบันของพระสมมาสระพุทธเจ้าเลิศกว่าเพื่อนพราะแตกฉานมากกว่าเพื่อนปัจจุบันพระสวัสดิ a w a ปัจจุบันสักกาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระลรหันมียิ่งย่อนกว่ากันปัจจุบันของพวกโลกก็มียิ่งย่อนกว่ากันอีกนะตัจงก่อนนั้นลงมาเป็นโลกี โลกตระนับแต่พระสดา บ, บันเป็นต้นไปคําสอนพุทธศาสนาเปงต้นก็นับแต่พระสดา บ, บันเป็นต้นไปาชาตนัอื่นต้องรอมตัวเข้ามาถือศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะสำเร็จพระสดา บ, บันไม่ชนะก็ตรงกันข้ามละยกตัวอย่างเช่นภาษาไดบุตรโมคคลาเป็นต้นโมคคลาศาสนาไดบุตรก็มาเริ่มใสพระอาทิตย์เสียก่อนจึงถึงพระโสดา บ, บันนั่นจึงสามารถถึงพระโสดา บ, บันได้ มีแล้วในข้างพุทธการแต่ก่อนก็อยู่สนชัยนาฏบุตรปัญญาเก่งเหมือนกันมีสนชัยนาตบุตรมีบริวารห้าร้อยคนพระสาสิบุตรพวกคลาไปแล้วก็เสียใจเลยเพราะฉิบสำคัญนี้จากตัวไปไปเริ่มใช้พระพุทธศาสนาะแล้วก็ถึงพระสวสดาวันบางต้นอยู่มากก็ํำเร็จพระรหัสาริาบุตรพมกคลกาพระพกา พอบวชมาได้เจ็ดวันพ็สมเร็จพระหลานพระาธีบวชที่ผ้าวันทําแต่และวัฏระบารส่งต่อพระนิพพานหมดทาประเทศสนากันเดียวกันคนหนึ่งฟังถึงไตสรสนคมคนหนึ่งฟังถึงพระหลานเชทีคณะอักริเวสนโครไปฟังเทศพระบรมศาสดราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดถ้าสกอรคาตา ทำสุกระขาตาสุกระก็คือสุกรข้างพวกเขาคิดจะโกดภาษาเดบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลังของพระบระมศาสดาพัดลมให้ท่านหนึ่งที่คณะอาคฤชนาโคตรป ร, ประกาศทูลพระบรมศาสดาพระบระมศาสดาก็ได้เทศเรื่องเวตนาธัญญาสังขาร ย, ยัญญาที่ไม่เทีย่ย่างเกิดขึ้นแล้วก็แบบววนั่นแตกสลายดุดดังหัวฝีส่วนภาษาเดบุตรฟังอยู่ข้างหลังก็สําเร็จพระรหัสไปซะ ส่วนที่ข้านักข่าวอคุเวสอนคตได้เพียงช่วยละได้เพียงดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นกันเดียวกันเป็นอาเทตกันเดียวกันเนี่ยฉะนั้นคําสอนแจกพระทละบาทส่งต่อพระนิาหมดเป็นคําสูงหมดถ้าใครอยู่ระดับใดก็ดึงคําสอนจะเข้าอยู่ระดับตัวเองเช่นพุทโธอย่างนี้พวกเล่นเเล่นพระกัพุทโธเลกพุทโธผาพุทโธบัดพุทโธเบไร์อือรน้อมไปหาตัวเอง เข้าข้างกิเลสตัวเองพรากิเลสพาดึงไปแล้พุทโธพระสวัสดิบาลเป็นพุทโธไม่หลงทางพุทโธสักระคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นพุทโธพระอนาคามีเป็นพุทโธที่ไม่มีกิเลสไม่มีราคะไม่มีโทสะพุทโธพระหลานพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงแล้วไม่ติดอยู่ในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งอดีตผู้รู้ทั้งอนาคตผู้รู้ทั้งปัจจุบันด้วย เป็นแต่สักวารูปเป็นแต่สักวาเห็นด้วยถ้านทุกคนไปแล้วไม่ติดในที่ใดทั้งสิ้นไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตนด้วยไม่สําคัญว่าตนเป็นผู้รู้ด้วยไม่สําคัญว่าปัจจุบันเป็นตนตนเป็นปัจจุบันด้วยไม่สําคัญในใดทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่สําคัญตนว่าของของตนไม่สาคัญว่าผู้อื่นแล้วของของผู้อื่นสําคัญเป็นแต่เพียงว่าเป็นแต่สักว่าท่เป็นแต่สักวสังขารเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกสาย ท่านเลยคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยท่านผู้พ้นไปแล้วเหฉะนั้นกรรมวิบากของท่านจึงไม่มีท่านจึงไม่ได้ตามรักษาจิตท่านเพราะจิตของท่านไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของอ่ะท่านก็ไม่เกงว่ามันจะผิดทีนี้แล้วมันเกงว่าจะกลัวแพ้กลัวชนะอเหตุฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้ตามรักษาจิตเพราะจิตไม่มีโทษจะรักษาทําไมเพราะไม่มีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของจิตก็เป็นโสตแล้ว่ะจิตก็เป็นของว่างแล้วธุลูกก็เป็นของว่างแล้ว พวกเราปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปแถวนั้นทำํำไมปฏิบัติไปแถวนั้นก็ไม่ถูกผู้หวงพ้นทุกขนว่าตาสงสารก็ต้องไปปฏิบัติไปแถวนั้นผู้หวงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตพรมสมบัติก็อีกเรื่องหนึ่งก็ไปตายคาภาวนาประตายคาสมาธิบ้าประตายคาชานบ้ากอะไรบ้างเพราะยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์ยังไม่เกิดอีกร้ายชาติไหนายพพระโสดาบันเกิดอีกสามชาติอย่างกลาง อย่างชาติก็เกิดอีกเจ็ชาติอย่างต่าก็เกิดอีกชาติเดียวพระสกทาคามีเกิดอีกสามชาติพระอนาคามีเกิดอีกห้าชาติฉันอวิหะอัตปาชุตษาชุตศียกนิสก า, กาและบางชาติก็เกิดอีกชาติเดียวขึ้นไปเกิดอวิหะก็ปฏิภาณในอวิหะก็เกิดในอัตปาแล้วก็ปฏิภาณในอัตปาก็เหมือนกันกรพระละหันทั้งหลายเห็นสุขมีในโลกไหมไม่เห็น ถ้าพระอหันตเห็นความสุขในโลกพระอรหานก็เบื่อหน่ายโลกไปไม่ได้เบื่อหน่ายความหลงตนของตนไปไม่ได้วิญญาณบรรทุกจีตท่ที่ก็ไปไม่ได้พระอาหันมองมาเห็นเลยความสุขในโลกเหตุฉะนั้นจึงยอมเบื่อหน่ายความหลงของตนข้ามโลกไปซะ <Yeah. S 1> เอ้าเราอยู่ทุกวันนี้อะไรบ้างสมประสงค์หนึ่งอะไรสองอะไรสาอะไรไม่มีถ้าว่าเกิดสมประสงค์ทําำไมมันจึงแก่จึงเจ็บจึงตายนั่นนัน ถ้ามาซั์สินสมประสงค์ทําไมมันจึงหายไปจึงหายอยู่เกือบตายหาก็ไม่ทันอีกนะสมประสงค์อะไรบ้างนะไม่มีสิ่งที่สมประสงค์อโรค ก, ก็ดีโรคอันหนึ่งหายโรคอันหนึ่งก็มาอีกไม่น้ําซ้ําก็ลงท้าก็ตายมีน้ํำซ้าก็โรคเชื้อราเอกนี่คุณหมอรักษาโรคเชราก็ไม่มีนะอะไรสมประสงในโรคอันนี้พอบรรเทากันไปชัว่วคราวเท่านั้นแหะไม่มีสิ่งที่สมประสงค์เลยจะสมประสง์แต่พระอรหันต์เพิ่พเดียวเราพอออกนอกโลกแล้วนัน ออกจากความหลงเจ้าของแล้วข้ามทะเลหลงไปแล้วเพราะที่ข้ามทะเลหลงยังไม่ได้เนี่ยจะสำคัญตนเป็นจุกมันก็ไม่ถูกเพื่อให้นอนใจเฉยๆเนี่ยเจนั้นพูดเรื่อใสายพุทธาาสึงนาะที่ยินดีในปฏิบัติเพื่อคนทกนวกนามัตตารงสารจึงเป็นพวกชั้นสร้างชั้นสร้างมาไมีแก่ข้ามาแล้วพวกที่อยู่ทุกกตะอาขอตะลาขาเนี่ยก็ยังต่าอยู่เหมือนกัน พอที่สร้างบารมีมาแล้วหาอุบายเพื่อจะพ้นทุกสิ่งเดียวท่านั้นปัญหาก็ไม่มีมากที่ปัญหามันมากก็เพราะกิเลสของเรามันมากพก็เพราะเราหวังในวัตาะรสงสารมากปัญหามันก็มากถ้าเราไม่วัดหวังในวัตาะรสงสารมากปัญหาก็ไม่มากถ้าเราเห็นในวัตฏะสงสารเต็ไมไปด้วยรุ่นฐานเพลิงในปัญหาของเราก็ไม่มากถูกไหมถ้าเราหวังจะเสวยอยู่ในสัพพตัยโลกธาตเนี่ยปัญหามันก็มาก ถ้าเราอ้งว่ามีแต่ภัยทางนั้นมีแต่เวนทางนั้นมีแต่เกิดแก่เก็บตายมีแต่เกิดขึ้นหน้าแผลป่วแต่สลายทางนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเห็นคณะเห็นความเกิดแก่เก็บตายคณะหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะ็มไปด้วยอนิจจังแตกสลายเลยเห็นทะลุภูเขาด้วยเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกเต็มไปด้วยความทุกข์นั่นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมืื่่ออออออเเเเห็นทุกกขัดพร้มมมาาใจ อันนี้จังชาดพอ้อมกลมให้ใจเขาออกเมื่อเห็นไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่บุคคลพ้อมกลมเขาหายใจเขาออกเป็นเจ้สักดิ์ลมเป็นเจ้สาววรูปเป็นเจ้สาวผู้เห็นเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้แต่สลายหายไปถ้าเห็นชัดอยู่อย่างนั้นแล้วความาวยทะเยอทะยามยานในโลกมันจะมาจากประตูไหนเอกมันจะขี่สร้างสู่บุรีมาจากประตูไหนมันก็ต้องขบรกันไม่ได้รวมกันไม่ได้แอา้าวถ้ามันเห็นชัด่ะมันก็ตัดความสงสัยเราตัดความสงสัยตอนไหนได้แล้วมันไม่ขบเคืน เช่นเราเห็นว่าไฟมันเป็นของร้อนอย่างนี้เราไม่เ ร, ไมเราไม่สงสัยว่ามันจะเป็นของเย็นสักทีนั่นมันทํำไมไม่ขบคืน<ม>น้ำลายที่เราบ้วนออกจากปากเราเห็นว่ามันไม่มันไม่ ม, มีประโยชน์เราก็ไปนึกว่ามันจะมีประโยชน์ไหนไหนน้ำลายกูบ้วนบ้วนออกจากนี่กูจะเอาค้นไปกินเราก็ไม่ได้ว่ า, านั่นระวังค่าเน้อค่าจะไปเอาน้าลายคืนมาอกีกเราก็ไปในนัดไม้ไขว้ไงนั่น ถูกไหมพวกอบายยมุกมือนกันถ้าเห็นว่ามันคิบหายทางดิ่งแล้วการที่มันจะเล่นมันก็ไม่ไม่เสียดายอยากเล่นมันต้องมารักระวังยากระวังข้าเนอะข้าจะไปเล่นอบายยมุกมันก็ไม่ได้บอกมีคนหนึ่งชวนมือหนึ่งมันก็กอดต้นเสามืหนึ่งก็ถือผ้ากูไม่เอากับมึงละยอมแล้วว่าอย่างนั้นละเนี่ยที่มันเห็นว่ามันเป็นทางเจริญอยู่มันบัญญัติผิด สิ่งที่มันทิพหายบัญญัติว่าเจริญนั่นมันบัญญัติดัดเหตุผิดบัญญัติเหตุผิดบัญญัติพืชผิดพืชกับเหตุกับกรรมมีความหมายเดียวกันผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็มีความหมายเดียวกันส่วนไปทางดีทางชั่วก็เหมือนกันพืชไปทางดีมันก็ดีพืชไปทางชั่วมันก็ชั่วเหตุไปทางดีมันก็ดีเีตไปทางชั่วก็ชั่ว กรรมไปทางดีกรรมไปวิจิยาที่ทําด้วยกายวาจาใจทำไปทางผิดมันก็ได้รับผิดทําไปทางถูกก็ได้รับถูกนะถ้าสร้างเหตุตรงแรกผลไม่ต้องประสงค์ก็ได้รับตามส่วนคุณค่าของเหตุที่สร้างเกินจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาเหตุนั่งผลก็นั่งเรานั่งให้เฉยเราไม่อยากจะรับผลของเหตุก็ตามมันก็ได้รับอยู่อย่างนั้นแล้วนึกไป จะปฏิเสธได้จะไม่ได้รับผลของนึกมันก็ปฏิเสธไม่ได้ฉันนึกโกรธผลก็โกรธก็มาอฉันส่งเสริมการมมาราคะตามผลของการมมาราคะก็มานั่นส่งเสริมโทสะโทสะก็มาหานั่นแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันมานั่นปฏิเสธเลยตัวบามันเป็นตัวยังไงตัวทั้งหมดตัวของเรานเองเพราะเราทําบาปตัวบุญมันเป็นตัวยังไงตัวทั้งหมดเราคาสองกันต้องก้อหนึ่งแลเราทำบาปมันกบับทั้งตัวเราทําบุญมันกบุญทั้งตัวเรานั่น อะไรก็พระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นก oh. ็พระผู้เปเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของเรานีนเองสร้างขึ้นนั่นพระบรมศาสนาก็บอกอย่างนั้นพระผู้พระผู้เป็นเจ้าจิตพระผู้เป็นเจ้าใจของพวกเธอทั้งหลายนั่นแหละสร้างขึ้นเราเป็นเพียงบอกเหงวนอนก็ต้องนอนเองเหงื่อน้าก็ต้องดื่นเองเหงวข้าวก็ต้องทานเองเราจะทําแทนพวกท่านไม่ได้นั่นพระบรมศาสนาเราเป็นเพียงชื่อบอกะหนุนเอกธรรมพุทธศาสนาบอกว่ามันมันชิบหายได้นี่ยใครจะเป็นหนุนเอก พระ อ, องค์ไหนมันจะไปบอกเยกบอกผาบอกวัดบอกเบอร์มันก็ไม่ถูกมันเป็นพุทธประหารธรรมประหารสังฆาระหารพระบรมสาร า, า, ร า, ราทายเนี่ยมันมีสารอุทธรเลยเอ้าถ้าอย่างนั้นก็โมฆะลาสารเรียตทวันนี้นะ่ะเรามาเล่น การพ น, นันเอาผ้าจีวรนักคาติหรือบริขานกันเถิดโมคนาสาในบทพระองค์ทางหนึ่งก็ไม่ได้ไปบินถบาทแล้วเอ้านั่งมันจะไปกองอยู่ทางหนึ่ง<ม>เหตุเช่นพระบรมศาสตราจึงเขารบธรรมมาถือธรรมว่าเป็นของมีอยู่ก่อนสัทธโมคขลกาตะโพควนเขารบธรรมพวกจะเห็นว่าอบายมุก มันจะเจริญพวะนั้นยังไม่ถึงสุปภจรปโนยังไกลเหลือเกินริบหรี่ริบหรี่ริบหรี่ริบหีนั่นอบายามุกทุกประเภทมันเหตุเครื่องจิดขวางมาให้ถึงพระพุทธศาสน า, ษ า, ษ า, ษ า, ษานั่นในโลกนี้มีอบายามุกเต็มเต็มโลกอ่ะถ้าขายเครื่องประหารเหล่านี้ก็อบายยมุกเท่านั้นล่ะตีคัฟตีแคปเหล่านี้ก็อบายยมุกเท่านั้นะเพราะตีเอาพานันกันนั่นอ แข่งมากแข่งเรือตีไก่เหล่านี้อบายมุกเท้านั้นเพราะพนันกันมัดแดงกัดกันก็พ น, นันกันเขาเรียวกว่าอบายมุกตัวไหนชนะไอ้ดําหรือไอ้แดงจะชนะอย่างนี้นั่นก็อบายมุกเหมือนกันนั่นโรค ม, มันเป็นอบายมุกเผาโรกอยู่คาสอนใดๆที่ส่งเสริมอบายมุกคํานั้นคําสอนอนั้นไปไม่รอด สินัที่กิดขวางอบายามุขอันนั้นเป็นคำสอนในพุทธศาสนามุขขะมุขขาก็แปลว่าชิ้หายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนะถึงเรียอวขอมุขขนะทำเป็นพวโกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปเท่านั้นความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไม่มียังอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปแล้วกดหมายกดหมูกดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อของทําไม่นําคําหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความช่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับนะพราะเรามศาสานามันได้สั่งสอนว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์หรือไอพิษอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าละอายต่อบาปกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้มของโลกได้ถ้าไม่มียังอายต่อบาปไม่มีกลัวต่อบาปกฎหมายจะตั้งสักเพียงไหนมันก็เพียง อยู่ในหนังสือถ้ามันไม่มันไม่อยู่ในหนังสือใจของมนุษย์ทำวินัยก็เหมือนกันจะตั้งกี่ข้อมันก็ไม่อยู่พระ พ, พุทธศาสน า, าเป็นคุ้มครองของขอ ง, ของชาวโลกแลว้วเป็นการบ้านเป็นการเมืองพระคริยท่านก็สอนวันทีตโตขัมาวาสังบันทิตนั่นแหละเป็นผู้ครองเรือน มันที่เป็นผู้คลองรื่อก็คือผู้มีสินห้านะั่นเพียงสินห้าเท่านั้นละ่ะถ้าชาวโลกมนสินหา้าแล้วหมดทุกประเทศลบหลาดค่าฟันจะมาจากประตูไหนไม่มีนะกุญแจจะมาจะทําทําไมนอกจากกลัวหมูกัดเท่านั้นละ่ะจะเอาผ้าไวใ้ในหีบยามก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีเออถ้ามีสินห้าบริบูรณนะ์ตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีเออสารไตสวนสารตัด ส, ส, ส, สินก็ไม่ต้องมีเออนั่น จะสบายขนาดไหนนั่นเพราะนั้นพอแล้วนั่ น, น, นถ้าไม่มียาอายต่อว่าไม่มีความกลัวต่อว่าลูกกฏหมายจะตั้งล่านมาตา ก, ก็ตั้งมาเถิดมาอยู่หรอกอทำความผิดในที่แจ้งเอาไปได้ไปทําที่รับอีกละนั่นนั่นนั่นนั่นเหตุเชนนั้นจึงไม่อวดดีต่อพระพุทธศาสนานั่นนั่นพระพุทธศาสนาปกครองโลกจึงทรงพระนามวโกกรกเวทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตตรเป็นผู้ยี่ยมพุทธศาสนรมาศาลทัทธิ สัทธาเทวมนุษานังมันผู้สอนของเทวดาอะไรพวกทั้งหลายนั่นนั่นนั่นนั่นดังเกินไปได้ดยังไงอะไรถ้าพูดธรรมะแ่ะมันไม่หนงไอเนี่ยมันขึ้นเลย <c oughs> เราไม่จับเราไม่จับเป้าเดิมเราตั้งอยู่ในเป้าเดิมฉันท่าพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยาเพียงมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ เยตเต้าเอาใจวพระไยในกรรมฐานที่ตั้งไว้ไม่มา่งสาหวันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณสี่อย่างนี้มีบุิบุญแล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งเหลือวิสัยนอย่าไปนี้เป่าเดิมเอาเป่าเดิมลมหาใจเข้าออกไว้เวลาหาใจเข้าลมกระทบเทรานเบ้างบนหรือริมที่ป่าเบ้างบนเวลาหาใจออกก็กระทบปลายจมูกแล้วก็จับไว้ที่นั่นหรืม หรือไม่ต้องการเคลื่อนเวลาลมหายใจเข้าจะไม่ผ่านดั้งจมูกจะไม่ผ่านที่ไหนล้วก็ตั้งไว้ที่นั่นแล้วหายใจออกก็ไม่ผ่านดั้งจมูกจะไม่ผ่านที่ไหนก็ตั้งไว้ที่นั่นก็ได้ไปในรถในเรืออย่าให้เข้ามันมันเข้าสนิทเนอถ้ามันเข้าสนิทเขาลวงเอากระเป๋าหมดต้องให้มันดูเฉยแต่ไม่ให้มันเข้าพะวังไปในรถในเรือถ้ามันอยู่กับคำวิธีคำวิธีกันเฉยจะให้เข้าสนิทเนอเข้าสนิทเดี๋ยวเขาลอบเอาเงินได้มันเข้าไปกุกอย่างนี้มันไม่รู้ซื้ออะไรเนอะ เดี๋ยวพัดตกรอีกรถ อ, อีกเหมือนกันเดี๋ยวหัวชนน็อตข้างบนอีกนั่นไม่ทุกอย่าให้มันรวมแต่ให้มันอยู่ในกําลัมศทธาที่ตั้งไว้ให้มันอยู่ในสติกับมือของเราเนี่ยพุทธโทรอยู่กระตับกับสติของเราเนี่ยกับมือกับขาเนี่ยถ้าให้มันรวมละทิ้งละรถเน่ยตายละ โอยแย่กันชิบหายเลยไม่ได้ทุกคับรถก็ไม่ควรจะให้จิตเข้ารวังให้มันอยู่กับพยายามอยให้มันเข้าให้มันอยู่กับสติของเราสติที่เรากับขาของเราด้วยกับมือของเราด้วยกับตาของเราด้วยอย่าให้มันไปอยู่ไกล้ไม่อยู่ใกล้รอบตัวของเรานะ่ะสติถ้าเราไปให้เข้าสมาธิ พอเราขับรถจะไปเข้าสมาธิมันไม่ถูกบ้าใหญ่นี้วเขาชนเพียงเลยตายแล้วเราทำบาปมันเราได้ตรวจหน้าไหมอ่าอ่า าเราไปจับไฟเราได้ตรวจน้ําให้มันร้อนไหมแล้วทำบุญเราทำดีแล้วก็ไม่ตรวจน้ําให้มันดีเราทำชั่วเราไม่ตรวจหน้าให้มันชั่วตรวจน้าก็หมายความว่าเวลาข้าพเจ้าให้ทานก็น้ำใสใจดีเหมือนหน้ามันเองเวลาให้แล้วก็น้ำใสใจดีเหมือนหน้ามนันเองเอาน้ําเป็นพยานนี่ยนาะแต่ว่าเมื่อจิตของเราเจตนาแล้วไมาตรวจก็ได้หน้าก็คือตรวจน้ําจิตน้ําใจของเราหน้าจิตน้ําใจของข้าพเจ้านะ ใสเหมือนน้ำนี่เนอเวลาข้าพเจ้าไปหามากินมาทานก็ดีเมื่อทานแล้วบริจาคแล้วก็เหมือนกันแล้วเอาน้ำเป็นพยานเสยๆให้ด อ, กอดกเรอแต่ว่ า, เ, าเมื่อจิตของเราผ่องใสดีแล้วเราเชื่อผลกรรมแล้วผลของกรรมเชื่อผลทานลแล้วผลของทานเราไปตรวจเท่าไรตรวดน้ําถ้าอย่างนั้นมันก็มก็ต้องหาบคุไปออเวลาเดินจงกรมกับเบลคุไปด้วยตรไปด้วยเข้าจะผิดเข้าจะผิดไง ตรวจหน้าก็ตรวจจิตตรวจใจของเรานนั่เองขอให้ถึงซึ่งขอเออเราขออุทิศกุศล福德บุญถึงปู่ย่าตาทวดตลอดถึงทั่วทางทางไตรโลกธาตุนี่เขาเรียกว่าตรวจหน้าเหมือนกันน้าจิตหน้าใจของเราอืเผยเมตตาคําว่าตรวจหน้าก็คือหน้าเมตตาเองแผยเมตตาเองเผยเมตตาเราให้ถึงเขาเอามาให้เออ ไมันเกิดปีตีอะไรล่ะมันจะพ่ายคนทุกข์กะมันจะเบื่อหนายอ่ะมันจะนี่นเบื่อหนายน ม, นน ม, นนมนตาสงสารจะพ่ายคนทุกข์อืมพรจาระสมาธิมดกำลังก็หายดอกมดกาลังก็หายจาระแตว่าไปตามนีม้บุญในในชั้นนี้มันก็ยัง เป็นอันนี้จังอยู่มันเกิดมันดับมนเสี่ยนันกันบุญสั่นเนี่ยคือต้องเป็นอันนี้จังยังเกิดยังดับอยู่พรากระนอบหลวงชูอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาโอบุญชันนี้คือยังเกิดยังดับเป็นนี่วสั่นโอบุญชั้นนี้ก็เกิดดับเป็นอยู่นะก็เป็นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาอยู่แต่เป็นในทามบุญพี่ระนาลงชูอันนี้จังทุกครังอนัตตาผอก็รู้ว่าใจเขาออกมาจร่งทั้งปวงในแตุ่ลกษตรขอ่นั้งเนี่ยจะแกนกาใจเขาออกหมด ยังอนนี้จังทุกครั้งอนนีตามองเขาลมให้จาเขาออกบัดนิมิตอันไหนมันมากเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปซะกันเท่าวุฒิเท้าดามัเกิดแวมันก็หายไปซะกันมันก็ยูดแต่อานาตอนี้จังองกันแมต่รกธาตุนียยแต่อานาตอันนี้จังเออเป็นภาพเคลืนมากมันก็หายกับนางฮับคือนมาก็หายไปฮับคือนมาก็หายไปนั่นแหละอันนี้จังอันละเอียดเออเป็นตัวกล้วยตัวน่าบ่ Ens, да. เออน่ะมันทิสอนให้เขาเบื่อไนมันที่สอนให้จิตใจห่างจากผู้เบาท่านะครับบมันที่ะมักผู้เบาท่าน่ะเนี่ยแหละมันดีพี่ยังหน้าเขาจักน้อยกับเป็นพระหนาขามี่หรือขันเศร้ามักผู้เบา่าน่ะไม่เอน่ะพระหนาคามี่แต่ว่าเศ่้าท่านเศร้ามักแต่ว่าไม่เนแต่บอกกับสันว่าแต่มากว Entonces, ่านี้ยังไม่จะห่างกระดูความสันมิเต็ของเปล่าของเน่าอะัน <multi number> <related> มิต่รถัดนี่นเฟอรรอมตัแต่มักหวัวมาท้่อังม า, าสั่ง่ามาแล้ะคราวนนะยังมักผู้บ้า้วยครับุมเอง <c oughs> ่ะอ๋อโอกเกนทำไมันไม่มักผู้บ้าหวาหอ่อเาะคันี่คับมักผู้บ้ามากเลขึืน้นใครคือเส้นทางการะดูกเข้าใจบ่กอันนี้มันปจิกูลก็มูยังไงสกดรากายเข้ า, าออก น, นี่มาเพ่งมาเพ่จยงังไง อันนเขาตะกุกตะกวนกับเพื่อนเอาอันนั้ น, นเรามาเพ่งมาเพียงมาพีาเพ่เจรนานั่นเรายอดพุทโธนะมายอดธโมนั่นยอดชังโขนั่นเรายอดสมาอาลังอาเจียกอนะไร <c oughs> นั่นเระยอดกรรมฐานนะ่ะสิ่งไหนที่ไม่ทําราคะให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่ไม่ทําโทสาให้จัดขึ้นสิ่งไหนที่มาทําโมหะให้หลงในะวัฏจัของสารมากสิ่งนั้นจะเป็นคำสอนพระพุทธศาสนาะจะเป็นภาษาบาลีก็ตามภาษาเราก็ตามมีเครื่องวัดดีอ่นะ ว่าต่างๆออกวิธี่ไหรห้าก็ออกคือเขาออกมุ้ยนี่นะเขาต่า ง, อ, งอออ่อนการออกน้ําได้เขาออกได้เขาตัางต่างเขาเน่าแล้วเขาเขาได้ว่ต้องมีพิธีก็บอะไรหรอข้าคงจักข้าออกโดนเนี้ยข้ายุดโหลดก็ได้ฮ <N> ะ <N> บอกแล้วมาปวดหัวบอกที่ มือบ่อออกมันมาปวดตัวออกหรือผ้ามานอยู่มันกับปวดเฮ้ยไม่ไ่ไม่ไ่ม่ม่่ไ่มม่่่่ม่ไ่ โตกระเบาแล้วแล้วมีแนวอคอกคลุมลงมาคลุมลงมาก็นอยนั่งไปอ้ยเหมยแล้วก็คือก้าอยู่นี้โอ้เจียวโอ้โด้เอโนเลยดิยพ่อเลี้ยไปมันมันคือมีทางยาใ่นีไปเพืมันต้องตองขึนมาหน่อยแบบนี้ดด <comm ing> โอ้แนวใดาวันนี้โอ้นะยาเดนนะมีเคยออกมา เลยนักเลยอันโหนักไปเลยนักขยามันดอกบอกว่าเราบริภาษวานาให้หัวนักเราบริภาษวานาให้หัวเบามันนักกับไปเรื่องของมันมันบอกับเปเรื่องของมันเขาก็ถิ่มเลยปล่อยเลยเราบริภาษวานาให้มันนักเราบไริภาษวานาให้มันเบาเหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้ววันไหมันกระเทหายวันทันแล้ววะจังบอกว่าสันติโรด วันนี้พ่อคือได้ต้อกินไปเลยดิยังหายกินยากันยัคือเองได้กินน้ำมะนาวว้ากินแต่หายเอ๊มเป็นน้ำเลืออย่างหนึ่งมันเป็นน้ำเลือดลมห่อกับมี่วาฒน์นัน้นเป็นน้ำเลือดลมห่อต่างหากเป็นกับเลือดลมเราต่างหาดกดอกมันนั้นม่นจะเป็นกรนะพาะนาดอกไม่ได้เขียวกรนะเพาะนาเป็นกองเลือดกับลมเราต่างหากเป็นวัฒน์นั กลางก็เป็นไหมเคยเป็นอยู่กลางก็ไม่เป็นปัญหาหรอกมันสะดวกที่ใต้ทุนกอกลางที่ใต้ถุนเน่ยเพราะเก่งว่าฝนจะตกออกไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวขําคืนมาลําบากเอาอยู่ใต้กติ๋นน่ะอยู่กับคุณโกเมนมาจากตังไม่ไม่ต้อ ง, อ ง, ง ว, อว่าหรอก<ๆ>อะไรหรอก การกดไม่ว่าอะไรหรอกได้นอนภาวนาได้นอนได้ั้มันยืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นก็ได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนภาวนาได้ทั้งนั้นแหละเรา่อเวลาไราตายเราก็จะนอนตายดไม่ได้นั่งตายดอกกต้องภาวนาเนี่ย ถ้าจกะสุกพุโธธโมสังโกขอให้ม่ความสุกควเจริญตามความต้องการในทางที่ชอบอยู่ทุกเมื่อเพื่อนพุโธธโมสังโฆเออเขาให้เรากลับมา อ, อีกอ้าเออวันที่หกมานี่วันที่ยี่หกใช่ไหมวันที่ยี่หกน อ, อ ยิ่งเฉพาะประมาณไม่ได้เม็ดดินเม็ดแดดเม็ดลมเม็ดฝ่าเม็ดฝนแม่ไตรกถาตุมนับได้คุณพระพุทธธรรมประสงค์นับไม่มีประมาณนับได้อัปมาโนคุโฐคุณของพระุทธรรมประสงค์ไม่มีประมาณอัปมาโนซากโโกรมกันธโมสากโโกรมกันมันไม่ปัญญามากพอเห็นมากคุณมีปัญญาหน่อยพอเห็นน่อย ผู้มีเสือกยาวก็ขึงเด้ไกผู้มีเส God God. ือกสั้นก um ็ขึงเด็กไก่ผู้มีเสือกยาวก็ขึงเด็กไก่ผู้มีเสือกสั้นก็ขึงเด็กไกผู้มีกำลังหนักก็แบกขอาขวงหนักได้สายบุตรเดินโยกรมกลับไปกลับมาเริถึงคนพราธ็กระทประสงค์วันนี้ประมาเลยแล้วมากราบทูมพระุรมศาลาวานเออกระผมเดินโยกรมกลับไปกลับมาเึิถึงคนพุทธ็กระทำประสงค์วันนี้ประมาทล่ะเออดีละ เธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอพอเห็นมากสิเดี๋ยวยลงมาเป็นพระอิสุท ธ, ธิคุณแล้วพระปัญญคุณแล้วพระมหากรนาคุณในปัจจุบันก็ตามแต่ก็เป็นคุณอันใหญ่หลวงหาที่ประมาณไม่ได้คือแผ่นดินดยนลงมาถึงแทนเดียวกับน้านะสองแสนซีมันโยดขยายออกอันนี้วันที่ขยายหลายก็เป็นดินไปอีกหลายก็ไม่ดินไม่น้ามไม่ไฟไม่ร่มไปอีกคุณรู้ไหมพระธ จะผู้เหลื่อมใส่กัเี่ยวกจักอ้มนก็คุ้เพาะราตุมงมจดเขาเห็นแก่หนาคาซื้อเขามาให้ไม่ต้องสงมาจะใส่นอเขาจะเียหมเงม่หนึ่งเขม่อนะนั่งเยอะมากนก็แเบนวัดนี้ยแก่หนาคาซื้อพราะพามาตสงเขามาเห็ุว่ามีบุญตองูงไหนนักโม่หนึ่งโม่นึ่งอะไรหมดไ่ใจโลกถางหรือไงวเห็นว่าคของพราะ่าพธาสงหมดน่ คำสอนใดในใททเป็นเ so ื่องขึ้นคำสอนลัทธิานหมดน้าให้อกคลองเมืองบางต่างไรดวงสูงมหาสมุทรทะเโดยนรู้ตัวชั้นใดเชื่อในทางลึกซึ้งเพื่อให้คํานึงได้หลายทางน้ามห้นกคลองเมืองบางต่างไงสูงมหาสมุทระโดยนรูปตัวชั้นใดคาสอนไดข้อใรดวงสู่คาสอนลัทธศลัทธิศาสนะโดยม่รู้ตัวชั้นนั้นมาพูดถีกข้จริงอีกนั่นเชื่อมในทางสูง ชทิตจะมีกี่ด้านล่างก็ชี้ไปในทางทิศนั่น ห, หมดโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดในก็เป็นเมวงขึ้นคําสอนของพนะุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั่นเมื่อพูดดีก็จริงอีกสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้เลื่อมใสพุทธศาสนาจะเห็นผู้ไม่เลื่อมใสพุทธศาสนาจะเห็นยังไงก็ไม่เห็นละ เยอะพอซือมัเป็นของไม่สำคัญคำสอนเจริญวัตรระบาดกครอบโลกแล้วทําเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาดเท่านั้นจะคุ้มครองลงได้ถ้ามันมีอย่างอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาปแล้ว โคหมายโคหมู่โคตรพักโคพวกก็ตั้งไม่อยู่รูข้องทําให้นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยเองทาความชั่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับกคตหมายจะตั้งไว้ตั้งหมือหน้าตาก็ตามยิดใจยึดใจคนเป็นบาปทาต่อหน้าไม่ได้ก็ไปทํารับหลังมันฟิตที่ไหนล่ะไหน ยังมีสิ้นหา้าทคนั่นแหละในใจโลกทานมันก็สงบแล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีนั่นขายของไม่ต้องเฝ้าหรือใครเมีใครไปด้วยกันได้ทั้งนั้นกุญแจก็ไม่ต้องมี ขาอไม่ต้องเฝ้าละตีราคาไว้อันนั้นเท่านั้นอันนี้เท่านี้เลยเ่อไม่เห็นของก็ไปหาก็กเห็นเงินถ้าเขาเกรงลมพัดจะพัดไปเขาเอาอะไรทับไว้เพราไม่มีอาิีพน่รนารักนะการปฏิบตัตอาวุธยุท ธ, ธภัณนก็ไม่ต้องทํากันลูกระเบิดนิวเคลียร์นิวเคลียร์ก็ไม่ต้องทํากันเครื่องบินเครื่องบ่อยอะไรก็ไม่ต้องทํากันเครื่องบินเรือร็กเรือเล็บอะไรไม่ต้องทํากันให้เสียเวลาน การลบราค่าฟันกันก็ไม่มีเห็นกันก็สมานวิทย ส, สมานฉันไม่มีเวรมีใครในโลกนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะมม่มีเวรรอบข้างนูระเบิดวารมานูลูกหนึ่งลูกหนึ่งหลายล้านบาทจะทำมาทำไมถ้ามี เส้ยงาบริบูรณ์เลยไม่มีใครเบียดเบียงใครหนักหรือสงบสงบสงมบมีอะไรก็แจกกันแบ่ส่วนกันจินตามทสทติกําลังเท่าที่จะทําได้การค่าการแกงก็มีการตายในตอกห้วยราวดอยเมื่อตายหงก็มีเมื่อตายหงที่อรบราค่าฟันตายด้วยหอกงาหรือสาตาอาวุธน็มีไม่ใช่แต่โรคท้องพวง ตายตามถนนหนทางก็ไมีการข่มขืนก็ไม่มีเพราะกาเองมันมีเพราะเพราะเขารบกาเองเพราะใครไมียใครไปด้วยกันได้ทั้งนั้นลูกหลานไครก็ได้ไม่เป็นปัญหาหนูสาผู้พูดก็ไม่โกหกผู้ฟังก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาทั้งผู้พูดเห็นก็ว่าเห็นมาเห็นก็ว่าไม่เห็นลูกก็ว่าลูกไม่ลูกก็ว่าไม่ลูกไม่เสียเวลาทั้งผู้พูดไม่เสียเวลาทั้งผู้ฟัง ไมมีการต้มตุนกันเลยถ้ามีกาโอโุรามีระยะของมันกันแต่เมื่กินมันก็เมาอยู่แล้วยิ่งไปกินก็ยิ่งเมาเพิ่มบ้าเขา้าตายไปแล้วไปตกนรกออกจากนรกมาเขามาเป็นเปรตออกจากเปรตมาเขาเป็นคนบ้าบ้าเสียใจผิด ม, มนุษย์เสดกรรมสืบิ่มสุรานั่นเองนั่งอาณาธิบาศ ท, ที่นี่เศษ็จผลของกรรมตายไปแล้วก็ไปตกนรกออกจากนรกมาก็เป็นเปรต ออกจากเปรตมาก็มาเกิดเป็นสัตวิประหลานถูกเขาฆ่าตายถ้าราอชาติถ้าราอชาติห้ารชาติาตายหูถ้ามาเป็นมนุษย์ก็ถูกเขาฆ่าตายห้าร้ชาติห้ารชาติอายุก็ไม่ยืนนั่นถ้าผูเา้เคารพปานาที่บาได้อายุก็ยืนโรค ก, ก็ไม่น้อยนี่แต่โรคชลาเท่านั้นนั่นผู้เคารพอธินาทานอย่างนี้ นี่สิ่งนี้ของมาเขาก็ไม่ชอบรักคนที่ถูกร้นถูกกี้บ่อยๆถูกรักบ่อยๆเพราะเพราะตนร่วงละเมิดที่บทขบวนเขนั้นผลของตาตามมานักชิ้นห้าก็ดีความลกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปก็ดีเป็นความปกครองโลกแล้วเรียกว่าทำเป็นโรกกระบาล คุ้มครองโรกอันอื่นคุ้มครองโรกไม่อยู่ทํำซอปการในี่ยคุ้มครองโรคจึงจริงอยู่มีเสียงที่ไหนพระพุทธศาสนาพูด mm. ตีไปหมดแนนะ่ถ้าเป็นนักมวยเอกก็รวบหมดแน่ยไนะหลติงไปมาไม่ได้นีเขาทีศอกก็ตีไม่ได้กําลังเหนือไปแน่ รวบสองขอ้อท่านล่ะพระพุทธศาสนาะพอแล้วมีตะหมัดนับทิพย์ไม่ลุกแล้วทนะาไมมีอยากอาตวาดมันมีความกวาดตวาดแล้วอะไรจะตั้งมาอยู่นี่แล้วโก้ท่านกันเราฆ่ากันลูกหลานมันมีมันก็มาฆ่าอีเวีนสนองเวียนภัสนองภัยพระพุทธศาสนาไปบินทบาทไปเห็นเด็กตีงู เด็กเธอจะตีงูทำไมเกรงมันกัดพระเจ้าข่าเออบุคคลที่รักความสุขแล้ว um. like แต่เบียดเบียนท่านผู้อื่นความสุขจะมีมาจากประตูไห น, นรักชีวิตของตนเองแต่ไปทำลายชีวิตของผู้อื่นชีวิตของตนจะมีมาจากประตูไหนสิ่งใดที่เป็ น, นาาประโยช น, น, น์ที่เบียดเบียนตนสิ่งนั้นก็เบียดเบียนผู้อื่นเหมือนกันสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ตนสิ่งนั้นก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นเหมือนกัน สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนเราไม่ไปฆ่าเขาเขาก็ไม่ได้ฆ่าเรานั่นเป็นประโยชน์ตนนะเราก็ไม่ได้มีเวณส่วนนี้เขาก็ไม่ได้ระแวงเราส่วนนี้มีประโยชน์ทั้งสองทางเราไม่รักของเขาเขาก็ไม่รังเกียจเราเขาก็ไม่รักของเราเป็นประโยชน์ทั้งสองทางเขาก็ไม่ด้แวงเราด้วยเราก็ไม่ได้มีเวณส่วนนี้ด้วยนั่นคําสอนใดในใดโลกท่านมันต้องเอามาเทียบคําสอนในคุทธรรมฐานออกทุกยุคทุกสมัยละ ด้านศีลด้านภาวนาธาวนาวัดศีรษภาวนาวัดครบมดพระพุทธศาสานาสอนไม่มีบุกล้องเลยถ้าเป็นหมอเกาะม่วใจยาปวดศีรษะอย่างนั้นก็อายาแก้ศีรษะมาแยปวดมาไม่ไม่จนมุมเลยพระพุทธศาสานา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็มาสั่งสอนคำเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกเป็นพักเป็นพวกกันมีคำสอนอันเดียวกันไม่ได้รบล่างพรบอรของกันไม่เหมือนคนหมายคนหมูค น, หมคนพรรคนคนพวกคนหมายคนหมูคนพรรคคนพวกทำไมถึงเปลี่ยนบ่อยๆยก็ผู้มีกิเลสมาตั้งท่าวก็ลงมาสาธาาไม่ได้มีกิเลสใครเอาไปปฏิบัติได้ผลทางนั้นถ้าเป็นอาหารก็บูดไม่เป็น ถ้าเป็นห้องทางก็รักไม่เ็นเตรียงอยู่เสมอถ้าเป็นอาหารก็ไม่บูดถ้าเป็นมีดเป็นผ้าก็คมคลิปอยู่ไม่มีสนิมเข้าคำสอนพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็ลงเอวยกันอยู่เมื่อคำสอนเรามีอยู่ตราบใดก็เรียกว่าพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตราบนั้นคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเราจะยังอยู่ กีรติปีก็ตามถ้าเธอทั้งหลายไม่ปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเธอทั้งหลายไม่เห็นเรานั่นเพื่อได้เห็นธรรมพุทธัเห็นเราไม่ปฏิบัติธรรมเท่าสมควรแก่ทำที่ในตรองเห็นแล้วจะมาจับชายกีวเราอยู่ก็ไม่เห็นเรานั่นทุกถึงทุกอย่างเพราะผู้คนเจ้าเ อ, เ, อเองสร้างขึ้นเพราะผู้คนเจ้าของเธอทั้งหลายนั่นเองสร้างขึ้นใ น, นจิตในใจแต่เห็นอัตโนราโทตนเป็นที่ขึ้นของตนเธอทั้งหลายจงสร้างกันเถอะเงินหลวงพเจ้ พระพุทธศาสนาบัญยัติถูกศาสนาอื่นมืนบัญญัติไม่ถูกเช่นเลขเช่นหัวยอย่างนี้บรรยัติว่าจะเป็นทางรวยมก็เป็นทางชีบหายนั่นพระพุทธศาสนาบอกว่าทางชีบหายมุขะมุข ะ, ขะเป็นทางชีพหายซึิงหน้าเชิงปากเนอะพระบรมศาสดาใครไปเสพเขาเขาชีบหายยิ่งนั่นตีก๊อปตีแก๊ปเหล่านี้มันเป็น อ, อันมายมุกทั้งนั่นแหละพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริม แข่งมากแข่งเรือก็เหมือนกันพระพุทธศาสานาไม่ส่งเสริมเมื่อชนะก่อวเวรเมื่อแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไปทรัพย์ย่อมสิ้หายไม่มีใครเชื่อถือใคอยคำนักปราชญ์ไม่เชื่อถือใอยคำเป็นที่ประมาณของนักปราชญ์ด้วยนักปราชญ์ไม่สงประสงค์จะแต่งงานด้วยบันที่โตคาลมาวาสังบันที่เป็นทุครองเรือน ด้านภาวน า, าวก็สอนไปแล้วด้านชั้นชุดท้ายเออท่านเขียนห้ว่างใช่เนออย่าให้มีสัตว์มีคนตัวตนเราเขาเธอทั้งหลายจะไม่ได้มาเกิดแก่เกิบตายในโลกอีกน่ด้านชุดท้ายจิตเป็นแต่สภาวจิตผู้รู้เป็นแต่สภาวะผู้รู้เธอทั้งหลายอย่าไปทึกยดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนอด้านธรรมะชุดท้ายด้านศีลสมาธิปัญญาชุดท้ายศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นสอนให้ธรรมะเรียงชีวิตในทางที่ชอบ ขีนสมาธิเบื้องปลายขอให้เบื่อหนายใครเมาในวัฏสงสารนั่ น, นวัฏสงสารเจ็ด้วยกองทุกข์แม้จนมุมเลยพระพุทธศาสนาทวงอิปัญญาน้อมเยนดีในสิ่งที่ควรเยนดีน้อมเคารพในสิ่งที่ควรเคารพ ย่อมบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนับถือในสิ่งที่ควรนับถือย่อมสนใจในสิ่งที่ควรสนใจตัวเองมีปัญญาก็ตรงกระทามหลวงพระเจ้าองค์แรกก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้แย่งพรบกันไม่ได้ไม่ได้แยพกยพระราชบัญญัติกัน ลงเอ อ, อยกันไม่มีคิดถมานะเลยเพราะมันดีพอแล้วมันเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่อัตตาที่ปไต่เห็นตนเป็นใหญ่ไม่ใช่โลกาธีปไตยเห็นโลกเป็นใหญ่ถ้าเห็นโลกเป็นใหญ่โลกมีแต่กิเลสประกอไปกันใหญ่ตกเหวกันตายหมดนั่นเหตุฉะนั้นพระพุทธรัชาสารจึงเคารพทำจึงยอมปฏิบัติทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนพระพรทธรัชสารก็มาสามารถจะรู้ได้ถ้ามีอยู่ก่อนจึงสามารถรู้ได้เหตุฉะนั้นจึงเคารพทำชัตธโมกโลกาตมู ธรรมะที่ไตยกับคำสอนในพุทธศาสนาเ่ยนไม่ใช่โลกาที่พรตยทําอะไรไม่ดูดิง่งทําอะไรไม่ดูดิง่งไปไม่รอดตั้งโคตไมายกตรหมวกโคตรพักโคพวกไม่ดูดิ่งไปไม่รอดไม่ดูพระพุทธศาสนาเนี่นะไปไม่รอดพักของใครมีมากกว่ตั้งให้เป็นประโยชน์แก่พักของเราดึงกันอยู่พุทธศาสนาเนี่ยนะมด้ถือพักถือพวกซื้ อ, อธรรมมาธิปรรมะทอ่พระต่าย เ, ยอ เ, อาเยนี่ย สิงไหนที่เปลี่ยนเกี่ยวว่าพุทธศาสนาชาวโลกประเสบเข้าเข้าชีบหายกันไปเอ้าเช่นพวกถือที่ไม่ว่าไม่มีบุญในบาปเข้าไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นน่นนนนั่นั่นัน่นเท่า น, น, น, น, น, น, น, นั้นพอแล้วอืนึกว่าจะบานหน้าก็บ้านหน้าทางทางชีบหายใช่ไหมนั่นเท่านั้นพอแล้วเนี่ยก็สังเกตกันเห็นอยู่เพียงสี่สิบปีกว่าๆนั่นเราอายุยืนขนาดนี้เราจะรู้จัก อันตลุมบอนกันยางคันแะไรก็นักแต่ท้องสีร้อยเก้าสิบสองมาหรือแปด0เก้ากสิบมาจอดถึงทุกวันเนี่ยแต่ก็เจงไปทุกขนทุกแห่งเนี่ยเสือกัดเสือน่าจะสีเอาอนาจะสีถูกไหมนั่นตกลงเครื่องมือของตัวก็ขาตัวถูกไหม นั่นกำปั้นตัวถุงนาผากตัวนั่นการค้าขายพระพุทธศาสนาขอบอกค้าขายเครื่องปะหารไม่ควรเด้อค้าขายมนุษย์ค้าขายจัตเป็นเรื่องสัตว์ที่ตัวฆ่าพอเป็นอาหารค้าขายนมองค้าขายยาพิษการค้าขายให้ยาในชาวโลกยาไปประกอบเด้อพรุทธศาสนาสมบัติของชาวโลกก็ห้าประการประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลไม่สแสวงหาแถษบนนอกพุทธศาสนะบำเพ็ญบนจต่ในพนะุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าประการและเว่นจากวิบัติท่าประการชื่ตรงกันข้ามนั่นพรบร ม, ามาศาสลาอะไรนี้ยิ่งทรงพระนามว่าโลกปฏิทูรู้แจ้งโลกจึงทรงพระนามมาศถาเทวมนุสยานัานงเป็นผู้สอนของเทวดาแลมนุษย์ทั้งหลายไม่จนมุมเลย สิงไหนทเป็นทางชีบหายทางเลี่ยงชีวิตพระบรมศาสดาเขาบอกแล้วมิถาอาชีวะมิถาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดที่เราเล่นเลขเลผ้าเล่นบันเล่นเบอร์ลักทุบจกห่อตลอดสารพัดอ้าวขี้เกียจเกียจขั้นทํางานมีโทษไม่เครอ้างว่านอนนักแล้วมันทํางานไม่เครอ้างว่าร้อนนักแล้วมาทํางานไม่เครอ้างว่ายังเช่าอยู่แล้วมันทํางานไม่เครอ้างว่าหิวนักระหายนักผวงเจริญในพระกษัตริจงเล่นเหตุเครื่องชีพ หายเหล่านี้เสียนั่นนั่นตระกูลจะมั่งคัง่งสักเพียงไหนก็ตั้งอยู่ได้ไม่ได้หนึง่งไม่สวยครับพระโชติหายแล้วไม่บบรณาณพัทธสุขฆ่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติตั้งสัตตรีและบุรุษทูตในเป็นไม่เรียนผู้เรียนผู้หวังจะลำลงตระกูลควรเว้นสถานเหล่านี้เสียคงเว้นจงเว้นสถานศีประการเหล่านี้เสียจะมีกี่ราชกี่แสนก็าตามถ้าคนทุศิน เป็นแม่เพ่อเลียเนามันเอาไปเล่นเลกเนีเ่ ย, ยผาหมดทิชพาหมดพอสามวันเงี้ยนั่นมันไม่อยู่ละในพอสามวันเลยละถ้าเราไม่ล่วงละเมิดสบายมกก บ, บอเป็นหยังบอเป็นหยังภาษาภาษีสาสร อยากจะรวยแต่ว่าไปทิ้งฟืนส่ไฟแล้วที่ไปทิ้งธนาบัตรสาไฟแล้วก็อยากรวยแบบนี้แต่พอเห็นผิดเป็นชอบเห็นกรงแกกวเป็นดอกบัวเห็นจะหัวเข้าไปผูกอเล็กนะเห็นกรงแก้วเป็นดอกบัวเอื้อมือไปมือขาดนพราะมันหยาดผิด สิ่งที่ชีพหายบัญยัติว่าจเจริญมันเหมือนพระสมานพระพุทธเจ้าบรรยัติถูกพระพุทธสมานพระพุทธเจ้าบรรยัติอะไรถูกัใช่ไหะเหตุนั้นถึงชิหานะทางนะทันเตเตประกาศพระพุทธศาสนาไม่ขั้นข้ามพระพุทธศาสนาในพุทธบริศัทบ ร, ร, ร, ริษักปริศาสุริสารัาพระธรรมบริศัทด้วยผมมาจักกังประวัติเตือนให้ผมมากันเปลี่ยนไปให้ผมมาโลกเปลี่ยนไปให้โลกเปลี่ยนไปโ ล, โ, ลโลกโลกเกียติวัติอย่างให้โลกเปลี่ยนไป มุเพตาพทุทธธรรมเองพระพุทธเจ้าทั้ทงหลายจะเกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเป็นจะต่อกไปเป็นระยะระยะก็ไปทําอันเก่าเหมือนกันไม่ใช่อาทํามันใหม่ผิดกันแต่ว่าเป็นมาเป็นยุคยุคทำไมจึงมาเป็นยุยุคก็กออกเพราะสร้างบาลมีอยู่ถึงจะมาเป็นยุยุคก็กมาต่อกันเป็นสายไปเลยแม้ขาดว่าขาดตอนไม่ได้มาคัดข้านกัน ไม่ได้มาแข็งดีแข่งเด่นไม่ไดะไม่ได้มาแย่งเก้าอี้กันพระพุทธเจ้าองคตกรไม่ดีไม่เด่นเหมือนเราเราจะท้ากัดมานี่ดีเด่นกว่าพระพุทธเจ้าองคตกรพระพุทธเจ้าก็ไม่คัดค้านกันองค์จะมาข้างหน้าก็ไม่คัดค้านกันลงเอยกันหมดนั่นดิ่งมันจะคัดค้านกันทําไมดิ่งเกลือมันจะคัดค้านกันทําไมมันก็เค็มเสมอกัรน้ําตาลมันจะคัดค้านกันทําไมก็หวานเสมอกันนั่น ความเลื่มใสพระพุทธศาสนาไม่พอมันก็บัรดานไปเองเหตุไงจึงความเลื่มใสพระพุทธศาสนาไม่พอก็พระไม่สนใจถ้าไม่เห็นกําลังพระพุทธศาสนาะความเลื่มใสของไม่พอถ้าเห็นกําลังแล้วก็ความเลืใสก็ตอพอ เห็ดชิบหายแเราจะเป็นไปบัญญัติว่าเห็ดเจริญมันก็มาถูกหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นหวานพืชชิบหายก็ได้ผลชิบหายหวานพืชขมก็ต้องได้ผลขมวันเพลศเราเอาไปปลูกแล่ะเราจะไปบนบานให้เทุดาเทวดายินพรมบอกว่าขอให้มันหวานเถิดอย่างนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ฉันเองกรดีบางสมุทเราไปเล่นแล้วขอให้เทุดาเทวดาพระ อ, อินพระพรมพระยมพระการจะาทะเลาะวานทางสีลขอให้ข้าถูกบ้างมันก็ถูกแต่ความชิบหายนั่นเองนั่ง ธนาคารอบายมุกมีไหมไมาอยู่นี่ธนาคารเล็กมีไหมไมาอยู่ี่เรียกก็จัดอบายมุกเหมือนกันขายมนุษย์เหล่านี้จัดอบายมุกยตุกะ ก, กรรมะคิดคือกรรมเครื่องศ้มองการนาทิบบตททำชีวิตสารท่กรั่ววชินาทานซื้อออกสิของสืบของมาให้โดยก า, ารแกงกระมวกามชีวิตเชืชาจานาุบิดนะบมุขสวางปวเท็เหล่านี้กป็นนก็เป็นอบายมุกท่านะสิ่งไหนที่ตัดข้องต่อสิ่งท่าสิงนั้นเราเป็นอบายมุก ปลาทางธรรมะอบายก็ปทางไม่เจริญเรียกว่าอบายแต่ทางคิปหายก็ยังไม่รู้การคองคิดทางนี้คิดหายทางนี้ไม่คิดหายก็ยังไม่รู้ทธรรมะชั้นสูงไปกว่านี้แค่ไหนจะรู้ได้นนนั่นนนนัน่้สุสมเนก็เหมือนกันว่าชกวาชิกามืนกัน ผ้าเหลืองไม่สําคัญเยอเอ อ, อยู่ในตลาดก็มีมากหมอล้วนไม่สําคัญใครโกนเราก็ได้ออไม่นิยมชั่นวันลนะทําคําสอนของพุทธศาสน า, ศาใครเอาปฏิบัติใครเอาใครเอาไปปฏิบัติได้ทั้งนั้น อ, อไม่นิยมชั่นวันลนะแต่ทั้งนั้นแต่ทั้งนั้นแต่ทั้งนั้น เอสาธรรมอชนันธนุพระธรรมเป็นของเก่าแต่ว่าเก่าก็ร่ามเปิดดูก็ไม่ใหม่อยู่เป็นของเป็นของใหม่อยู่้าเป็นของเดิมไม่ใช่ของเก่าเป็นของเดิมแต่ของเดิมไม่เศร้ามองไปไหนสิงต่างๆมันเศร้ามองเป็นภาพพนท่อนทบายมันก็ขาดเป็นอะไรเป็นทำคำสอนพุทธศาสนาขาดขาดไม่เป็นเก่าไม่เป็นมาเป็นยกยกก็ไปทําอัอนเก่าเอามาสอนไม่ใช่เอาเอาใหม่นั่น ในเหมือนกฎหมายคนหมูก็พักกพวกพวกพวกมีกิเลสตั้งขึ้นพักของพวกนายร้ายก็ตั้งเข้าข้างตัวนั่นเนี่ฉะนั้นใครทิ้งพระพุทธศาสนาไปไม่รอดละการปกครองบ้านเมืองเราก็เหมือนกันพวกครองในระหว่างวัดว า, าศาสนาเหมือนกันในระหว่างพ่อบ้านแม่บ้านก็เหมือนกันพ่อเรือนแม่เรือนก็เหมือนกัน ใ น, นระหว่างลาอำเภอก็เหมือนกันใ น, นระหว่างข้าหลวงก็เหมือนกันใ น, นระหว่างภาคก็เหมือนกันใ น, นระหว่างประเทศก็เหมือนกันใ น, นระวางโลกก็เหมือนกันคราวไหนที่โลกอนละหมานก็คราวนั้นโลกทั้งหลายห่างเหินจากคําสอนของพระพุทธศาสนานั่นผู้ทําลายโลกก็พวกมนุษย์เป็นผู้ทําลายเมื่อเห็นโทษ ล้วจึงจะมาแก่จึงจะมาแกมาแกะตัวที่มันสายไปซักมันหมดทุนแล้วอาจจะเอาอะไรต่อสู้ น, นั่นทิ้งพืนสายไฟเพื่อเอารถก่อนคืนมามันก็มีแต่ชีเท่านั่ น, น, นหลานคนหนึ่งก็มาเถียงโาอทางอรรรบางทีมันก็ได้อยู่หน้าหลวงปู่มันมาบางทีมันได้อยู่หลวงปู่ เออบางทีได้แล้วล้มล้มล้มหลวงปู่จะถามนามึงไปไหนนามึงนามึงถ้ายังเหลืออยู่นั่นมึงต้องขายต้องหลายสิบล้านเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดนามึงเอสวนมึงไปที่ไหนเดี๋ยวนี่สวนมึงก็หลายล้านถ้าถ้ามึงขายอะบ้านเรือนของมึงถ้ามึงขายทั้งที่ดินด้วยทั้งเรือนด้วยก็นับไม่นับกว่าล้านเดี๋ยวนี้มันไปไหนหมดอ๋อมึงว่ามึงได้ละนั่นแหะมึงอยากคาคูเนอะอยากทำอย่างนี้คาเลยนั่นอืม ถ้ามึงว่ามืองรวยมึงก็ถ้าถ้ามืองว่ามึงจะเอาหอกบันแขมันอย่างนี้มันไม่ถูกค้านี่มึงก็ต้องไปเอากรถอนออกมาจากธนาคารมาซื้อมามาซื้อมันสินี่มึงเอาเอาเงินขายของอ่ะอาเงือกต่างน้ําไปซื้อมึงไม่ได้เอาเงินค้าเดิบไปซื้อเลยมึงจะเอาว่าเอ่อหอกบรรแขมันยังไงนมึงจะเอาหอกมึงแขมึงกันเองผมพูดอย่างนี้ทีนี้มึงจะทำอย่างนี้มดวันทางมันเอ้าวกูจะบอกให้ นามึงไปไหนสวนมึงไปไหนบ้านมึงไปไหนโมระดกมึงไปไหนหมดเดี๋ยวนี้นั่นแหะมึงมึงไปเล่นน่ะโมระดกเมึงแต่ไม่ไม่เลือน่ะนี่นั่งนึงนั่งนึงก็มีงินหลายล้านนั่งนึงเล็บที่เลร้ายล้าน วัดใหม่วัดมือเขาต้องหนังสือเพียบมาอ่านนะว่าด้องเดากกอนน่เาก็ไปได้กก้นอ น, น, น, นรับหนังสือเพียมหนอกเจ้าเขาเอามาเขว่าทิมมาว่อ่านว่ล่งอาบหน้ามดเด็ทายผ่าเฮ้ยอาบหนา้านี่มันขึ้นอาบนาสานีายเป็นปีเป็นเดือนมากกื ก, ก, กลงวัผู้หญิงประมาณอายุเคืงคนนั่นะคนง่าตาเปนคนสุ่าพเยะ โอ้ตัวก็ไปลุกไปจมตัวนี่น้อนางเลย่าสัน่นเรียนหุบมันหนาทั้งเวทมันเรียนหูบยังไงเรีนหุบยังนะนะไงคือไปให้งานทางไหนเขาก็มาหลับจะชี้รับทงไหนเลยถัเขาว่ามันก็มีสินค้าที่หาที่าดหามาห่หนมันทายเัยกั น, นคนณเด็กร่มจมทั้งป่านนี่แถวเบื้องหังรับเขทาทังห้างมันเพราะไหวใจมนจักเขาวา เขาเ่รับเขาทางานเลยตกลงไปนอ่งในน้นำหล่านค้ายคลองเขายนน้าใตหนึ่งพวกฝ่ยประเทศญี่ปุ่นพวกยังพวกเหมือนทัางผู้ชายคือกันผู้หญิงคกั น, นพวกรุ่เลตกทั้งนลประเทศญี่ปุ่นกระโดดหน้าต่างตายเขาให้รับแขกด้วยูแขกว่ไว้กระโดดหน้าต่างตา ย, ยอ่ะเพราะ น, นี่อีพ อ, อีแม่กูเอ้เขามาหายได้ง บัตที่มาเขากระย็บใบวิชาวิแสไม่เข้าของเขาเขาเขียนยี่ปดีเขาสีดยา้สียดยาให้มะล่ำสองไยคนจิตอยเล็กวัยนั่งตัวนาต้างตายแล้ววัยก็ฝากเขาบอกออเดี๋ยวเดียวโอ้ยสมายเอ้มาสั่นตัวทุ่นกาลังไม่อยู่มาสั่นคันต เ, เร้าเละ มันแข็งียงนแล้วมันแห้งด้วยอือือือืมอืมเาฆ้ายดีท้องเรศ จ, จัตวาไม่ผู้ชวดไปเลยเรียอะ่ะมือหนึ่งกอดก็เสามื้อหนึ่งคือฝ่าอหมูงง่อ อืมันถายได้มันมุ่งใ้ไร้หรอกอืมอืมเฮ้ยบย้าเรียนเรียกคยไปเรียนไพ่กับบายย้านใดอีกหรอฮะเนี่ยฮึฮึนา่าจะไปเลยจากน้อยนี่ ของมันจนขามาเลยตายเลย่อมีก่กาไฟพระเนี่เข้าใจบอกมันมืดไหมมันมืดอ่ะตายคำาคลืนพ่อีกกาไฟพระพ่มีเงื่อนไปซื้อตะปูวัตีโล่งหุ่นละบอกสียงบอก <c oughs> ชื่อว่าม่บอ ก, อบอกเออจะไปเรียนอืมเออดีเอาใส่มปท่พอพ่อแม่น่ง เอออืมนั่นแหละดีดีมากอืมอืคนสัมมาทิฏฐิม uh, ันคือหอดพระคือหอดพระพุทธธรรมพระสงฆ์คนสัมมาทิฏฐิคนสัมมาทิฏฐิคิดถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ออ ออเอ่อวัชรรมอนก่อวัชรมอนหนึ่ ง, plotting, ง 1> 1. คือใจสองคือกายกับใจสามคือกายวายกายไกายสี่ 4. คือธาตุสี่ลินน้ำไฟลมห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปนับใจอย่างนั้นถ้าให้เรานับอันเจ็ดคืออภิญญาธรรมมีเ็ดอย่างแปดคืออัธกิจกรรมค่าแปดเก้าคือโลกุตตรธรรมเก้ามรรคสีผลสีนิพพานสี่ นินพานหนึ่งทริปคือกุศลกม็มาวัดสิบถ้าเรานับเรานั บ, นบอย่างนั้นแล้วไม่นับเหมือนพวกคุณนับพวกคุณนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็แปเก้าศูนลูกผูกไม่ได้นับอย่างนั้นบางทีลูกปูกก็อันนี้เอาเลยดีดีใจลูกร้าน ลูกกลล์ลูกหลานสนใจในพระพุทธธรรมผส์ดีใจมากจะยังยังมีเพื่อนเดี๋ยวยังไม่อาภัพก็ยังมีลูกหลานปฏิบัติอยู่ยังไม่อาภัพพพุทธศาสนาไม่ได้อาภัพง่ายๆผููที่ถือพระพุทธศาสนาเนี่ะเขาเป็นคนง้อไหมเขาเป็นฉลาดผู้ผู้ไม่ถือาศาสนาเราเป็นคนฉลาดกว่าเขาหรือทําไมไม่พิจารณาอนนั้นก็เป็นเรื่องของเขาหมอนเขาสัก จะลงมาทางไหนพวกคุณพลมให้ใจเข้าออกได้ขอขอให้จับลมขอจับลมมันก็สงบอยู่ในตัวมันแล้วนะพราะจิตไมฟุ้งซ่านมันก็เห็นเท่านั้นอืมจิตไม่ฟุ้งซ่านมันก็เห็นเท่านั้นถ้าจิตฟุ้งซ่านมันก็มาเห็นอ่ะเลย เราต้องการเห็ น, หนไหมเดี๋ยวนี้เอาลองให้จะเข้าเอาต้องการเห็นไหมเห็นเห็นไหมนัดต้องการเห็นก็ต้องให้เห็นเไม่ไม่จะไม่ต้องการก็จริงมันสงบในชั้นพิจารณาสมมตแบบหนึ่งมันไม่พิจารณาเน้อใจรักพอมันพัดเข้าไปได้มันก็เงียบเลยหูมันจะยินอันนั้นมันไม่พิจารณาอะไรหรอกเดี๋มันถอนออกมาแล้วมันจึงมาพิจารณาอันนั้นแบบนั่นแบบหนึ่งแบบนั่นแบบหนึ่ง พอออกมาแล้วโอ้สมาธิขั้นนี้ก็อยู่ได้อํานาจอนุนจรรย์นอออกมาแล้วมันก็พิจารณาไตรักทณ์เลแบบแบบแบบนั้นแบบหนึง่งแบบหนึ่งพอลมหายใจเข้ามันก็เห็นแล้วเห็นทั้งควาเกิดขึ้นแปรปรวนและแจกสลายแล้วลมหายใจออกก็เหมือนกัน อ, อเห็นเห็นลมยังยาบยังเห็นอยู่เพราะมันชนานาญมันต้องเห็นในพิสตายอย่างนี้นก็เห็นว่าเกิดดับแล้วี่ เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกันมันตกเตียงเตีงไปอย่างนี้มันขวมันเกิดดับพาระหว่างไม่ได้เหมือนกันล่ะแปลปวนพลัระหว่างไม่ได้เหมือนกั น, เ, นเกิดดับพลัระหว่างไม่ได้เหมือนกันเนี่ยตัวดับแหม่ะอันนี้จังไว้ล่ะนั่นนั่นจะยากอะไรนั่นนี่อตอนนี้เออ อ, อย่าให้พิมพ์แจกเนื้ อ, ม, ม, ม, อมันยังไม่พอถ้าพิมพ์อะมันนิดเดียวนีดดยมันนิดเดียวดเล ย, ดเด ย, ดเดยต้องเขียนต่ออีกเอ็นเนื้อหาสระเพราะคนมันไม่ไม่มันมันชอบจะปีนม <า S 2> ันชอบจะปีนอันนี้มันชอบจะปีนชอบจะปรีนอันนี้เอากระถัดรัดเนยรับคิดธิมารณ์คน เออได้มล้วกันเอ้าเอ้าได้มล้วกันไปเอ้<พ>าโอปาบูาสงฆ์ในป่บูชาสงฆในปาบาสงฆในปาบาสงนาขานขึ้นตายเลยนอนกองทุกที่ไหนมันเป็นทุกนะไงลกูกหนึ่งอะไรสองอะไรสามอะไรอ่ามาดูดูเออไม่มี นั่นเอามาดูดูบุคคลผู้หาแสวสหาสุขในโลกสิบสองปีไม่พบรอนจนถึงเที่ยงค่เก้าพระบรมาศาสตร์ดาจึงมาสอนอันเป็นมงคลเสวนากระพาะรานังการไม่พบคนผ่านเป็นมงคลอันอุรมด์ดีคนผ่านก็คือจิตใจของเรานีเองแหละมันมาผ่านเราอยู่อ่า พวกคุณก็ยังอยู่ต่อไปอีกใช่ไหมโอ้จะกลับเนี่ยเออจะกลับอื ม, อมไปภาวนาเขา้าภาวนาเพื่อพ้นทุกข์นะว่าตาส้องสายไม่ได้ภาวนาเพื่ออวดกันหรอกว่าอย่างนั้นอืมอะเะาาซื้อมาให้เขาซื้กันเนอะหนึ่งคือใจสองคือกายกับใจ สมคือกายวายกายใจสี่คือาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเห็น ญ, ญาณหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปนับใจอย่างนั้นถ้าให้เรานับเลยเจ็ดคืออภิญญาธรรมมีเจ็ดอย่างแปดคืออัธกิจกรรมฆ่าแปดเก้าคือโลกุตตรธรรมเกนน้ามรื่นผลสี่นิพพานสี่นิพพานสิบคือกุศลกรมรมวัฏสิบถ้าเรานับเรานับอย่างนั้นแล้วไม่นับเหมือนพวกคนนับ พวกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเ็แปดเก้าศูนย์ลูกผูก้ไ่ได้นับดังนั้นบางทีลูกผู้ ก, ก็อนี้เเอาเลย <laughs> ดีดีใจลูกหลา น, ล, านลูกหลานลูกหลานสนใจในครอบครัวทำประสงดีใจมากยังยังมีเพื่อนเด็กยังไม่อภัพ